สุภาุตตะตะโสราโตอะระหโตตัณหะตัมภุตตะโสราโตอะระหะโตตัณหะตัมภุตตะโสริานาโตวรตวิสวัชรวะปัญจสุขะสุภาุตตะโสรณ สาิอาศสัตกัสารวเสนาาธมนารสสนโทสิมังขุนัารวนโาวโหติสุวตจริานาชานาุาลมนาสนาสัก สุภาณมาจนถึงพพุทธเาขึนายูการจำเป็น t ถรวันบริการเพื่อให้ผลบอกว่าวิชิตธรรมานะหังใจธรรมาสมพุทธเจ้านั้นหักมีเมื่อวันเดือนสามพั้บร กระตุ้นยิังในสมัยสุลายคนนั้นมาเจ้ทิพย์ยุทธิ์ห้าวันสาวันมี้ิ่งปัจจุบันละวันวันขุนัรสาซึนงาอยู่สามจำเปนือควาบริการห่งองค์สมเด็จเจ้ผู้มีพร่าตุเจ้านั้นนายะอันพุตธเจ้าสัเจ้ทิพย์กำหนดนับได้ด้วยเจ้าขกาแะจ้าผ นมือตัศน์คสุวัตอะระหัตสัมมาสัมพุทธะนะมือตัศนคสุวตอะระหตสัมมาสัมพุทธะนมือตัศน์คะตอะระหัตุสัมมาสัมพุทธะขันติจัตตวัตถัมพุทะที่วัสัม นาโอตัดแบบนี mm ้อาจเปนมาพาตุส hmm. ุแดงรัชธรรมระดูชนะในเทวูรูห์นาสุตตไะกาชาเพื่อเป็นผู้่างศรีโกลงให้กับพาระรมีที่รังดาพนิชลาทานะเบนดูจังารด้วยความใจกันมาบันพุริผลวันออกสงศาคือเรียกว่าวันมหาตระกา วัตรองคตบันเทสงเวโรหณะสุติขณะที่อัมราเทวโรหณะสุติมีวันยาวมากไะขอตัดในทนงดงไม่ทำนาทีชั้นาพอทั้คนกวียนกัเวลาข้าววัตรเวโรหณะเสนอความว่าวันนี้ดวงสมเด็จตสัมมาสมุทัาวจางสมเด็จโยนจากสวรรค์ขั้นดาววดีกับเทวโลกอยู่ประดู่ดวงแห่นสงสารในพ เาะนั้นองค์สมเด็จพระจุนารมณ์บรมบาลสัตย์สันตสุขมาลสุขเดชเจ้าเวลาดำเท้าเนสายถึงไปบนสวนเทนดาวดินสะทือนโลกองค์ดงทําจทย์พระพุทนมารดาบินเหตุแล้วเวลาันองค์สมเด็จพระละมโยกกระเชื่อขึ้นบนก็ราตรีคงข้างล่างในยอดตักด้านเวลาต้นแดงก็มีอ่างนี้มาดาไม่เพิดทำที่การสุด วันนี้ก็ขอเทื่อตอนเริ่มต้นนิดหนึน่งแ้่นิติยออัจัริยาความมีเล่ามาองผลึกเข้าบรมบาลบันดาสมายสมุทรเจา้าองคสนมบรรดาเจ้าพุทธบริษัทให้ปฏิบัติเพื่อข้นเกิดความทุกขเวลานั้นก็มีเแค่ละหันจนจะนมากแล้วก็มีเไหลดูถือถ้อหล้ายพายกำแพขันเมืองการขอหน้าองค์ผลกพระพุทธมีะาเจ้า ควมมือี้งหลายมีเขาตั้งมาก่อองค์สมเด็จจักรีวรมนุษย์ี่หลวงต่อมาเมืองมือพระราหัตมาทางสมรภูมโดยศาสนาก็เลยกระาศว่าสมราูมนี้มีพระรหัตบรรดาสมรภูมิอื่นทั้งหลายเขาบอกว่าในสมรภมิเขามือราหัตเหนี้ต่อมาในวันหนึ่งพมุชนราจากท่านบุนโดยพระวรารพร จำบันสาอยู่บนยอดภูเขาที่เกือบเวลานั้นบันหนึ่งเขาลงมาบินธมาศก็กลายจุดใจซาบคลายมีคนเขาพูดกันว่าเวลานั่นที่เมาเขาพูดกันว่าให้พูดอะไรการสมมติต่างๆเหตุสมมติก่าสมมะิโกเด่นก็ดีสมมติบรรดาจารย์หลายเจ้าหกก็ดีที่ประกาศเป็น่พื่อหลอกนั้นไม่มีผลไม่มีริมพันจริง กอการสลายแบบนั้นเาจาที่กลายวัตคุกิการทั้งปวงผู้บรรดาคนในหลายผู้นี้จะกายอย่างนี้เพราะว่ามันในเวลาใกล้ที่นั่นเองเมื่อท่านมาหาเสถียรท่านหนึ่งท่านไปอาบน้ำใส่ันเลในช่วงเวลาอาบน้ก็กลายเปนคนร้าขา ท, า ท, า ท, าท่านเอาถ่ายเลยไม่ว <another luxury ella> yeah ่า <laughs> ถ่ายเลือกใสตั oh ้งการจัดน้ำการจัดทะเล ขาะนั้นเวลาเครื่อต่างยกขายกันมาก็ปรากความือปุ่มไม้ปุ่มกันจันติดนั่นเองถ้มาหาขวดผิวฉุดไว้สุ่มกันจันกันไม้กันจันประเทศนี้ในบ้านเรามีมากถ้าเราจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ไดประโยชน์ตอนนี้ดูเวลานี้สักต่างๆบระสัทตนนี้มีอะไรบาง อันจีงจะได้สูตความเป็นาาา ม, มารรันก็งพระในสมัยนั้นทั้งพระสุรศียังมีเจ้าคนทำไม้สุม่มหรือไมบาดสุดม่มส น, นคัญหรือไม่หอมทำไปรูปบาทและวก็ใช้ไม้ตอกไปถึงเสาสูงแค่ยกอสนไปแล้วก็โดยการว่าถ้าจนนักไหนถ้ามีาหารหัสขอยท่านคนนัาา้นหกไม้บาดสนคัน เป็นง <pouch. S 2> <c oughs> ah ่ายาไม่เร hmm. ื่องเลยก็ถือว่าบรรดาอาจาย์ไม่หกอาจารย์ไม่หกหกไม่ได้เพราะไม่เจอรหัสงี่แต่อาจารยจริงถ้ารหัสนี่ไม่หได้ได้ทุกอย่งนะต้องอยากเจอใครบางคนท่กก็หกไม่ได้แ็่หันได้โก้ด้วยโชวหุนสูงขึ้นมาดาแล้วก็คาได้คไม่ก็หกไม่ได้ก็หกได้ก็ต้องใส่คะคุณโยที่เป็นสมททัปโอาารย์น่มีสี่แบบ แต่าจริงพวกนั้นเขาไม่มีหลักฐานจริงๆทีเมตกันมาบอกกันมาหาเสด็จผีว่าพวกขันเมื่อตายแล้หันไปผันเมื่อเหรอขอมาดูเพิเถอะม้เาจะถือได้ยืนยันโดยกุวยข้าไม่หรอท่นก็ไม่ให้ต่อมาการมีน้ำมาฟูราไม่ได้สดเรื่องรายการใหญ่นม่นสรลปสุดใกล้ไรเรื่อหกไม่ได้แต่เราจะทำาวลาเหมือนว่าจะหก อะไรทำพลาดหระแล้วก็เผลอบินงไงว่างเนี่แล้วนะก็ห้ามตามอาจัรย์โยงยาหักเลยระย้าบาตรเมื่อไปถึงบ้านไปม ห, หาชีพก็ระดองลีลายอย่างนั้นไปขอบาตรถ้าไม่ให้มหาชีวก็ต้งขอ ถ, ถ้าไม่หักกันไม่ให้ก็เม่ว่าถ้าอาจารย์เลียนะก็สดก็ทำพลาดจหัเยอะขาท่านนึง่งนะ้รามาจะห ทำเนียงทำลกจะเหาะกันดาลูกศิษย์จังหลายที่ไหมจังหลายก็ข้าราจการไร้กาเยต้อย่ไปเหะคนเสียเหลี่ยมเพราะว่าพระอรหันต์พยายามฆ่าพระอาจารเลนลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าท่านมหาศิษย์ทานไม่เหาะแล้วแต่ว่าลูกศิษย์ขไม่ยอมในันเหาะเขขอบาทให้ลูกศิษานมหาศิษย์บอกว่าจอมไมเหะสมก็มหแต่มาเม่เวลาผ่านมาหกัน เ้าวันที่เจ็ดเมื่อเราหาหมู่คนไล่ตนบุญโมทัยและวาย้าเป็นฟ้าที่มีฤทมากั้งคยูวบนยอดอท้าที่มีเกิดเดินาจะมีธรรมะก็เคดูเกดที่เมาห้าคนนั่งหนุนซก่แล้วบอกวให้ไอ้พวกราหลงได้สำนักการมีพระอรหันต์ไม่ให้เป็นความชววันนี้เป็นวันที่เจดแล้วไม่มีพระอั์ให้เปอธรร แสดงว่าตํมดาภณัติส่วต่างกิจการเป็นมาดยสารนั่งหล่อเทีวโลกทั้นเมื่อเขมาหาเมื่อคลาดุจินเจ้าหันไปหาท่านบิณฑบาตภรรยะกางว่าบิณฑบาตภรรยาดินนะเขพูดอย่างนี้มนการหยุอย่างที่เขาฝหงาอย่างนี้ท่นบิณฑบาภรราเขาเลวเลย เ ม, Lights, ม, üllt, มื่มหาโมกลาแล้วก็บอกว่าใชอย่างนั้นแล้วก็ท่านเจาะเหาะไวตั้งหินตามเวลาเฉพาะละหันเพราะว่าพระละหันนี่ของจะมีให้อามท่านไม่ตกใจไ่ท่านไม่หยุดเพราะถ้าเจงะเหาะเจาเห็นท่านเป็นดวพาวรตราวพระจ้าคุบอกว่านี่สมุทรลาเวทผู้ตกเย้ารงยกย่องว่าท่านจนู้เลิศทางมีฤทธิ์แต่ท่านเจ้สององค์มีฤทธิ์้กินกัน เมื่อท่านเป็นที่เลือดในายมีฤทิ์ท่านก็ต้องเหาะไเอาเองไอ้โม่ละลายว่าไปจ่าวว่าจะได้แบบไม่เปลีเลือดไม่เกลงเพราะาบิณฑบาตรพรวายชาถ้าท่านไม่มีความสามารถผมจะไปเอาตอนนี้ไม่เปลนดูถึงไม่เปลงเห็นมตอนบิณฑบาตรพระายชอกว่าท่านเดี๋ยวผมได้ไกรดับแม่ท่านแม่เนาอนนี้ท่านยังมีเงินแผ่นถึงใหญ่ มันยอยู่ในความรักษาศูนย์หมันโตมากให้เดาเลยเข้าใจจิตใจท่านด้วยกาลังข้าวหินยาขอเป็นบรรยากาศอ้ฐานที่ญิงก้นใหญ่ในจิตเท้าไปเลยขอไปหลังบันในสำ น, สนักนะอะศูนย์หิโตวนไปวน ม, มาวนมาจนกระที่ท่านเลยคน้งางล่างมองู้แลไม่ได้หินฐานนั้นมันโตจนทื่ทนทีน่จิตวิเคราะห์อยู่าศันย์ห ต่างคนต่างเก็ะบ้องบางตะแกรงบ้างมาบังหัวื้นหรือพุทหลักต้นไหม้หรือลงหลุม้าต่าก็รก้องตะโกนว่าพเจ้าอย่ปหินมาในคณะพุทเจ้าอย่ปลยหนินมาคุยจะายแต่หนั้นว่เมื่อท่า น, บนาเบญจรรณพระราชว้าบ้า น, นท่านกลัวท่านก็ไหลักหินก็นมันไปลงที่เดิมด้วยกำลังงฤทธ์เป็นอ่งที่เดิมเรียกร้อยเหมือนวางกรดี่ต่อไม่เลิกชาตที แล้วท่าก็อยู่จกางหาไมวูอยู่หลังบ้านทางแล้วหลังาเขาจะมาหาเศษศีว่าเขาไม่จะไปเช่อนไม่ยอมหยุดบาปถ้ามาหาเศษศีก็มีเงินให้เรามาไปขอให้ท่านน้าง้วก็นำให้คนไทยนำบาตรมาไปเื่ขึ้นมืรับเื่อรับแล้วก็นำพระตาหารมาไปไห้ท่านหลังจากท่านเห็นพระตาหารเศษท่านบุญโดยพาลรัชเช้ก็นำบาตร กันจนกระทั่งถึงตอนนี้เรื่องใหญ่มันก็เกิดว่าคนไม่เคยเห็นพระเกามันได้การก่อนเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยอยากดูพระเอาแล้วจะได้กลุม่ม น, นี้จะมาจะได้านุ่มนี้มาจะทงผูรุ่นหน้าที่หไอ้ดีด้ที่จะ่อธรรมะมานแล้วนั่งหอเพืดูตัวนี้ไป แ, แล้วกินหลังก็มาอีกขอใหอถ้าไม่ห่ให้มันก็มีเรื่องสองอย่างเรื่อง ก, ก, ก, การห่อในเรการแสงปาิหาร ม here, ันไม่มีโทษสำหรับเจ้าบ้านผู้ไท่พระพระวัดพระทำไมเหาะให้ดูเกิดรักตันี้ลงารกหมดข้าพระเให้ดูเรื่องการรัพติศมาลองถือเป็นการไถ่พระตัวนี้ตายไปไล้เกิดชาติหน้าเป็ที่ข้าก็ห้าร้อยชาติจึงเอ้าพระแล้วเหาะใดูเอ๊ยที่พระปุอ่ะเป็นคนเข้มข้นรังให้หวย่ย อาจารย์อะไรจะขี่โมยยิ้มขี่อะไรแต่มันว่าเมื่อพระบรริณฑบาตราชก็ต้องเหออกกันทั้งวันในตอนกลงวันวันนั้นกจาเจ้าเองสมเด็จพระพู้มีพระ้าเจา้ากำลังเทศ น, น, นท์บรรดาท่านพุทเบ ร, รษิษัตร์ังเหยื่คนมาให้คนบิณฑบาตราชะหาะแล้วก็ดูเลยดูใจโห้งกันบ้างจกมือกันบ้างมันไม่ไปมหาวิหารมากนะ เียงแรก่อนทําเลมาหาวิหารด้ยความจริงพเจ้าต่างเช่ทราบวอ่างไรในใจแอย่าลืมว่าพระผู้ได้แ ก, ก็ดีพระอื่นก็ดีคือองาเรื่องของผชชวิตก็มีพม่พช่แเจ้าเจ้นปฏิบัติไม่งูกนี่ใครก็ตามได้สา ม, มากกรถจะรู้ได้ด้วยยาจเจรินดีแลวต้องทำไม่จนคนไม่ถู้ระวังระวังให้ดีนะเพื่อระเบบร ขันธ์ด้วยแล้าต้องทำตนนันนไม่รู้ต้องถามไม่ถูกติแม่เสือมต้องเขามาองค์เพระ้าในายจงได้งไดถามพระันเว่าอันนั้าดูก่อนอันน่มันเสงอะไรนะอคเตรวตรวจเสียงให้ของฉันท่านทามตอบทูลองค์เือพระจ้าวัา่าทนพระโว่าท้าเดืองค์เือพระเามีพระท้าเจ้าผู้ริพระพุทธค์ มีลัง บ, บาใบชาเชิามาขอร้องให้ท่านดิดยบาตและพระค่าเจ้าทีมีพระพ่อเจ้าที่ว่ากาพระว่ามันตปตามท่านบินโดาภาละพระวาา่ามาเราบอกให้นาบากรจันจ์นนมาด้วยท่านบิณฑบาตรละพระวาาาาราาา่ญญามาผมเด็กเองในสายเทวดาก็ทรงติดใจเียนอนมากว่าจุดคันนี้ไม่ควรทำอย่างนี่ เาื่อรสรางกำลังปฏิหารเนี่ยก็คน ม, มีกำลังใจดีไม่แพอมีบารืีอย่าือ่อนก็จะเกิดิปฏิหารไม่สนใจกับธรรมะธรรมนูนการเห็นการปฏิบัติะจะเป็นตัวใจคนหลายๆเพื่อคู่จิตปฏิหารไม่ต้องการถึงไม่ต้องการทำไม่มีเหตุนคลนทุกข์หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงบัญญัติว่ามัดฉบับนี้เสร็จสิน พระองค์ใดถ้าจะดำเนินปฏิหารต้องขออนุญาตคาถก่อนถ้าไม่ขออนุญาตก่อนรงจับเป็นโทษแต่การจับเป็นโทษของพระองค์จะับเป็นโทษแบบไหนเพิ่ะบอกเขียนอย่างเรียวร้จับเนโทษเหมือคนที่ทำเงินถือขึ้นยาไม่ได้สอบจนันไม่ได้สอบเงินจับแคุคนให้ก่อนเขาจะลงเทษเขายะเอาเงินเท่าไหร่จับไปก็ได้เขานี้แขงได้ การจัเป็นพระองค์สมเด็จพระจอมไกรบาการาาไม่ได้บอักรใบาด้วยเฉะนั้น้าะรามเมื่อทีจ <Du> ะัดเจ้าหนัดไหนก็ไดองค์สมเด็จพระจไกรทรงจัดอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นมาพระที่เป็นพระอเดียเจ้าก็ไม่มีใครเข้ากำลังพระองค์สมเด็จพระสยผมิม่ถจถึงเวลานี้ถ้าใครตรวจปก็มีพระองค์ไหนสมัยปาฏีหาริย์องค์นั้นถือว่าเป็นเดร การส่เาด็ดเป็นสามมือไม่าระยะเขาไม่ทาจะไปเจ้าเขาเท่าไหร่ทําทำเพราะผ่าระยะไม่ดีายตาเรียให้ทําจุดยี่ไหนาไม่ยอมทาแน่หลังจากนั้นเราได้แจกดยงพัดให้สำนบิรองาาและกระบะทุกบาทให้ต่อใเอียดให้็นชิ้นเล็กช้นเกและเจาะเป็นดาบได้สงบอกให้สูงว่าถนัดไดสูงกันนี อาเวลาตาไม่ดีและแท่แค่ในนันลจะยกชึงังกันกั น, นที่น้ายาังมาจิตมหยอกตาตาจะหายจาการเจ็บตัอย่างเชหาตาไม่เห็นให้หยอกข้างเดียวตาแบบอีกหนึ่งข้างไม่ใหยอ่งข้างตาหายไปหนึ่งข้างตาหายไม่เห็นก็เนื้อปุ่มจันจันรัษาตาได้ดีหลัจอองจากเห็นดอกพุธในสีงห้าบรรดาพระสงฆ์หลายทำตาฏิหาร เม้โดยในถือพระท่านเป็นโดยชาลตวันพระแสดงคว่าอายมากม่อจาทายล่าสมเด็จพระพุีพระเจ้าทรงห้ามพระแดงปาฏิหายเพอไม่ให้พระเจ้าจะไมองด้วยเขาก็เพื่อโสายเจริญดาวโดยพาลียว่าต่อไปเนี่เราจะทำปาฏิหาริย์ข้นกับสมณระโคดมดูแต่แม้พระฤทธิจะเล่นอาจารย์ม่จ้พรเจ้าทรงห้ามแม่เ้าองค์นก็ต้องไม่ทา เม้ข่าวลั่ือใจมากพระเจ้าพนมิสามขึ้นเป็นเจ้าเมีองเป็นเป็นพระราชาเป็นพายุร้อนใจมากพวกบริษัทชมศรีก็มาถือพระองค์ว่าถ้าอาจให้ใจมีแล้เชิญมาทำบาริหานแข่งอาการของข้าเจ้าพนิตสามนี่เข้าไปเต้าองค์เล็ตเรื่อจักรเสาโดยเฉาะมหามันก็เลยรายนีเรื่องหนึ่เข้ามาอย่างนี้เขาาท เรืดองที่เจาเจ้ารว่าเขาทำเรื่องสดแต่ผู้คนก็สุดแต่ขาม่เอามลยนะครับแ่เจ้าดินแดนมึบอกขว่าพระองค์ห้ามพระสงฆ์ไม่ทำแด้วพระองได้ยังไงที่เจ้าล้วเมื่อเจพาไปถามว่าพระราชาิยายางเขาไม่ยอมคนที่จะเคาะพระองค์ให้นะแต่เจ้าดินแดนก็ไม่เคย ถ้าชาวบ้านจะมากิงของกิงมาให้จะได้ไหมเครจะกินไส้ยไม่ได้มีโทษสต่เจ้าในทษกตไม่ได้่ายแม่ถ้าหลวองค์จะกินเองจะให้เองขอแน่นไม่จะพักสอนเองจะมีเทศไหมพระเจ้ากินไสก็บกว่าพระอริทพระเจ้าจะมีเท่งแต่ไร่จลว่าปัาฉท้ามจะพาะภาษาลัทธิหัมมตัวเก็บที่ตัวเอ็งจะเก็บทีตัว พระเจ้าที่ามองาว่าพระองค์จะทที่ไหนเมื่อไรก็ต้อบอกว่าวันเข้าพรรษาทุณเมืองพาราในสีซึ่งมีพระเจ้าในสีไม่ที่ตัวขนเป็นเจ้าเมืองเราจะทำที่นันเท่านั้นหลังจากนั้นเองสมเด็จพระเทพรัตน์ได้ทรงพาพระเป็นเมืองพาราในสีก็เป็นวันพอดีกัวันเข้าพรรษา พระเจาดยสร็ไม่ที่โกถึงก็ออกมารับดาไปาชนหลายชาขาเนเดือนแต่พระเด็กใจจะแสดงปาฏิหาริย์เป็ม่นิเศษโดยถือเครื่องนใหญ่ว่าใครทั้งหลายก็เป็นมืนแะสดงปาฏิหาริย์ก็สสณะโกกตอกาที่พระเจ้าดยสารผาไม่จะแสดงยังไงพระเจ้าบอกว่าจะแสดงบนต้นมาเมือง เจ้าเดือดถี่มันมีพุ่มมากกระนมากเจ้าค น, น้นนงหดเมืองพ า, า, าสีตราาพงเท่าไรเรก็ซื้อต้นหนึ่งสมัยก่อนรคาสงสามตำลึงเราซื้อสิบตำลึงยี่สุบตำลงร้อยำลึ ง, ง จ, ะจะซื้อ้อนทั้งหมดทั้งหมดตีร า, าจว่าพเจ้าบูมเมราได้ร้อใจาเวลานี้พนม ง, งหมดแล้วฉัจะ จ, จะทำ เขาไม่ได bon ้เจ้าเขาว่าพุทโธอัตมารเลยที่มีชื่ว่าเขาไม่ได้เจ้าทุกองหาแจ่มารีได้เออไม่ต้องมีศึกทีไม่พาเจ้าเป็นเรืองพาดในสีวันนั้นก็เลยมันคดีคนใต้สวนเขาได้เจ้าโดยเฉยไม่กด้นเอาเขขึ้นเหมืองเขาึ้นไรเนี่ะนัไปขึ้นในสวนเขาไดาในหัวสาเนี่ย เมื่อไอเสียงเวลาอาอย่งมีน้ำมนื่อยู่ก็ดีคนก ko. ้าวเสียงผมน้ำม้วนมันสุดเราคิดว่าวันนี้จะวัดเทวดาได้กะเพราะเาเชาองค์เดียวใครจึิงเราหัวขาดแต่ว่าวันนี้องค์เสด็จเทวดามาได้โลกก็น่าจะหลุมาือาเราโลกขาดเพราะลมมนนี้จะปะต้ไวงค์เส็เทาไม่จับตาแต่เราแค่หัวขัดจึงได้นำฝนน้ำม้วนปะต้องไวเสด็เทวามจะา เมื่อเราไม่กล้ารับแล้วเมื่อมาขันขันสุดขันเือหมเหนือต็มหมดแล้วที่นี่จังหันันเมืตนร้าตอนนั้นอิจดาบุไปสักทีนิดเาก็สบถลงไปแก็เอาเม็ดขอเื่างไปก็้วให้เดดสินได้น้ํามดดยหน้าพระาดีหายเลยหนักเพื่อมือระพริจากกระเพื่อเดือวของเมื่อแล้ว้นใหญ่ก็โตใหญ่ขึ้นมา เราเอาคเดียวท่ไม่สาวกันได้ว่าแดงปฏิหารเรื่องปฏิหารนี้เท่ดีสามมันไม่จกันบอกนตายคนเท่จะตายคนฟังกันตายเท่สามันมีอะไรจบเลยคนรสดงปฏิหารโดยถือได้แสงเหมือนกันส่งขังกันโดยถือสร้อัจรรย์ขึ้นไปโดยถือทท่าเหวินเสือไปเหวนเสือมาตอนนี้ก็ตายถึงเทวดาองค์หลวงปู่ังฆาที่ปทัดมาสมมตให้จับเอาขึ้นโดยถื จางลมพัดให้แรงตีสถาหัรเขาหนุ่มมันดูระยิบเดลื่อทางบนเลยอาจารย์ดูแล้วก็เห็นาโบกเลยจ้าแล้วเห็นผ้าคนเมื่อยก็วิ่งออกไปไม่ใครมากเลยพอดูมือมนไขนาคนหนึ่งจะไม่สิกงเขาไขอาจารย์จะใส่ไหนแล้วเห็นมันดูสมางปฏิหารพอดีกระถือเชื่องหม้อมาด้วยในภาพเวลาเราแล้วส็่กระบวนการปฏิหาร่ราจะคุยกันเรื่องเครนองหม้อในภาพอะไร แล้วก็ส่งห้เ <evangelical> จ้าก็รตที่เล่นน้มาเชื่อมฝุ่หม้อม่อใส่น้ำโดดเต็มน้ำตายแต่เจ้าเ่หาเป็นดาว้ตายไปทขุนเจ้าคู่ไม่ได้เจ้าไม่กล้าทำเนีช่างเนียตมกางแล้ววนหลังจากเป็ดงาวปฏิหารแล้วเองผลเด็กเปะดยึดเชื่าก็เป็ดสุสุกระหน่ำขดาวกระดิ่งปลโลก พอไปถึงที่นั่นพระอินทร์ก็ทระอนุชนนาให้พระพุทธคุณเม็นคนทรงศิลา์อาภัพเพื่อใจลายเมื่อายร้อเวลาหลานาทีหลังจากนั้นพองคมผลิตพระอาม์ไม่เลกันได้พระสมมาสัพุทธเจ้าส่วนพระพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายเป็นกัจให้พระพุทธมารดาเป็นมรดาพันเทวดาและเป็นหลายเป็นพระาเจ้าเข้าากัสิ่งเยะเมื่อวันนออกบางสาขวันนี้ผลิตปฏิมาสูตรทรงสําเร็จลงจากสวรรค์ขึ้นดาวดี จีงให้ิั่งให้รเทเพือรมีันฤกษ์มันใดสามันใบันใดแก่ยุดกางสำหรับนให้ไปเจ้าเลยมันใบตายอย่ข้างขาสำหรับเผล่ลแล้วก็มันใดกันนูตายสำหรับโผลมันใบเลยวันนั้นผเพืจอผู้มีว่าถ้าเจ้าทรงแสดงิหารยที่สุดอีกทรงมันดานให้ทั้งโผล่ทั้งมันใทั้งษ์ทั้งสกุานสุายกทั้งหมด ต่างคนต่างหึงกันหมดแล้บรรดาสัจจะโลกเลยเป็นตายต่างตาก็ข้นจบกกรรมก่อนคือเขาข้นอย่างที่ถือทุกขเวทนาตายมาโลกก็ดับสำนึกสำนึกายก็เป็นตายด้วกรธจัดก็ดับไปเนื้อตายคนต่างก็มีความสุขฉันอยากจะความเหมกันก็เอากิดสมัยผกเด่าตาไม่ไหลเลยเงินก็เงินไม่มีแรงวลาถ์ก็เวลาที่ก็จบหมด เะว่าเต่หุ่นเท่ต่อไปเดืนี้อะายหมดตายจะจบไปสามบังสามเพลินแล้วไม่จบจะขอให้่านท่านทุกคนเห็นตาดีหางองค์พระพุทธเจ้ามาว่าทำอย่างได้ประจำนอย่าง็นเห็นเสวงเห็นพรเห็นอรรัเห็นเกิดเหตเกิดกายการคนการประวัตกรรมแม้โดยสัตว์รู้โดยส้ตวคนคนรู้โดยสาตวสัตว์ก็จะรู้เรื่องบุตนมนต์คนรู้คอยเวลามนต์มัดเป็นมริงส คืมีความหนักที่พเจ้ากสือหน้าที่โกนขบรมันไปจัดเขามาเมวันเข้าอกษาที่มันออกองศาเขาไม่จัดไปแก้เราสือนน้าที่โกนขนก็ต้องเลี้ยงคนทุกคนทั้ที่ในพักบรรดามหากระสือทั้งหลายก็ควรตัดเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยได้ือจะมีเรื่องใกล้ชิดดิษฐ์ช่วยกันตีเรื่องเรืองบาดอาทนโดยที่บาดอานไม่ทำมาให้สิ่งเรือเขาคอยพระเจ้าพระเจ้ามาเรื่องมาเขามาจก็ต้องเรี้ยง หลังนั้นไม่รู้ทีจ้างกระดดลงมาแล้วทุกคนห็นความอัิจรรั้งว่าคนก็ดีประชาชนมดดมดแดงก็ดีทั้งหมดการพนารรู้ภษาการเห็นความอัศจรรย์อย่างต่างคนต่างจตนากพื่อจับกลยาวเกินไปจจักรดันั้นเวลานี้เขาเคยศัพหลคือย่งมีมากอย่างทันเททตทนวิจิทนมาเนี่นะจตาเพื่อจับกลุ่ในเวลานั้น ตนดตน้เมื่อพูดคนในเวลานั้นจะเป็นหาเขาะพูดแบบเห็นพระคุณใจก็ใก็อยากพูดนระคุใจแต่เมว่อการท่านคนในไหน้ก็ลาไปกลางก็มีกลางว่าบอกเออฉันแบบเป็นในสื่องมแล้วฉันแบบพกทีเจกก็สงถามปัญหาเป็นการเทศเรียนเรื่อมถามัญหาถามปัญหาก็มีนธรรมะถ้าตุนตุนกบได้ ถามปัญหาเรื่องการดึงสาพระชนกเป็นการมาบัติพระดึงบุตรุนกต่อได้พระชนกันต่อได้ถามดึงสาพระเฉลดาปฏิบัณฑพระนโลกีต่อไ้เนเฉดาบนสอบถามัญหาดงสาพระสีตาคามีพระเฉดาบันอต่อได้พระสุตปาคามีสอถมัหาดงสาพระนาคามีพระสุตปาคมีสอได้เมื่อการบรรลุไม่นี้ดังไม่ถึงไม่สอได้ ถามาถามมตอบถามสาวัฒนรรมชาวัฒนธรรมธมาปกติม so so so so so the ันถามมือสามแบบปกติชาววัฒนธรรมธรตอบได้แต่ถามมือสของมหาวัฒนธสาวัอปวุธานท่านกติสายวได้แต่ถ้ามหาวัฒนธรรถามมหาวัฒนธรรมก็อบพระาาวก้องมหาัฒนก็ตอบไ่ได้พราะว่าหากสายวัฒนธรรมองสายวัฒมก็หบ ถามธรรมะเป็นมีไส้ก็อายว่าปวขวาพระบุรุลาจจะเปนได้สาธิบุตรตอถามมว่าธรรมะคเป็นมีไส้ต้อสมเด็จในสัมมาทัตุทดเจ้าให้สาธิบุตรตอบได้พก็โยเจ้าจงถามใหม่ให้ในห้สาธิบุตรตอาไนรรดาทป็นตลาสัาวันนี้จะเอาแค่นี้เป็นไมจะได้คนที่ปฏิบัติธรรมะในศาสนาหนาทีสมเด็จในสัมมาทัตุโดเจ้า ถ้าเม่ได้ทายเรียนน้ำันจะเรียนประโยชน์ก้าวประโยชน์สุดประยชนอะไรกตามมันตอบไม่ถูกต้องการบัดจ้าวมนตอบถูกแต่คนไม่สนใเสดาบันจะทอาไม่ถือยังไงกแตอบที่ใส่เสมานบันไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นที่ไม่บรรลุไม่ได้ถึนพันนั้นจะตอบที่ใส่ทันนั้นไม่ได้เพราะบันาจะพัฒนาจัดทั้งหลายเข้าไหรเรื่ ว่าเอาให้พันเองก็มือนการยันมาเสมามาขมาดถ้าเขาถามเข้าจริงๆว่ า, วา ร, าารู้ใส่พระรหัไมีอะไรเป็นยางไงถ้าคนไม่ได้เป็นพระรหัตตอไม่ถูมันย่อ้องเปาาน็นพระรหัมีตอบถู้สน า, ายกลางคนแดงได้ทำมาถือนาวันนี้ว่าไปว่ามามันเหนื่อยเป็นทีครับแต่หลังจากรี้เหลือเท่ า, ราไรจะหนาว่าอะไรอะไรวันนี้ไปหาเรัอ ก็เรียนความว่าวันนี้ก็ขอพุทธิธรรมมาเทศนาเพียงแ่นี้นะการด้วยรดาญาติบงพรจบริษัทมาบรรจงบรรจงจงอุทาตสู่ในวันนี้อาดสงที่จะทำได้ก็คืพุทธานุทธิธรมฐานธรรมานุทธิสรรมานสังขานุทิสมฐานใจทานที่ทั้มาี้มาใส่ร่วมความเคารต่อพระพุทธเจ้ามันก็ทำแล้วก็เรียนแะแค่นี้ก็จบเรกไม่สน จะมีสองวันดาแยกโยนไระได้วิชัมาสมาทานสีนี้โยมนี้จับเงศ์สีลาไม่กรติสมาทานไล้วก็ผู้ขั้นมาโยมจับทานอย่างน้จับว่าเป็นอาเป็นตาทานไม่กระตุ้นสมาทานโยมสมาทานทั้งหมดเป็นปัญญาต่อวรรดาในทระตัววิชัดกินได้แล้วในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระตาไม่กติ้นทมาไม่กติสั้งทานไม่ติ แล้วเราอเวลาเมื่มอสิทั้งสดยตามนี้เป็นปัจจหาลัคนาสาได้ทุกคนเป็นในโสดาหันเนาะเพราะว่าโสดาบันเป็นมเทนี้ราะว่ามืกอกาลังกลางตอนนี้กำลังใจจลางนี้คืจิตตั้งใจเฉพาะเท่นิ้ผานปาเป็นอารมณ์หนึ่งสิลข้ารังสึด้วยวพระพรุทธเจ้าทสมด้วยคิดว่าภาพมีอเป็นใต้สุดยายโดยใจเสือตายเม่ไรเขาไปผ่านเหมืง น, นั้น กห้กำลังใจให้ท่านทรงแบบนี้ท่านทรได้ผลในการคือโดยสดบรมิสินคาคันใ้กลังใจมีชนี้ที่นิดทางโดยปกติใจเมื่อเราปฏิบัติทันทีกายแสดงได้ทำมาโดยกำนานี้มีสอที่สิดก็จะเปทนนนี้ให้แงสมูกน้อยสงอให้ต้นครัวมนือมนจะหมดที่เร ตัวเาวัยารไโอในรักการคันเปอยู่สุดยุคงระทมงานีดัจะท่านาดูป็นดีเป็นาัลทก